10. โกสัมพิกะขันทะกะ 271. โกสัมพิกะวิวาทะกะถาว่าด้วยเรื่องภิกษุชาวกรุงโกสัมพีทะเละวิวาดกัน 451. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นมีภิกษุรูปหนึ่ง ต้องอาบัตพิกสุรูปนั้นมีความเห็นในอาบัตนั้นว่าเป็นอาบัตแต่พิกสุพวกอื่นมีความเห็นในอาบัตนั้นว่าไม่เป็นอาบัตต่อ uh, มาพิกสุรูปนั้นกลับมีความเห็นในอาบัตนั้นว่าไม่เป็นอาบัตแต่พิกสุพวกอื่นมีความเห็นในอาบัตนั้นว่าเป็นอาบัต ลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวกับภิกษุรูปนั้นดังนี้ว่าท่านท่านต้องอาบัติแล้วท่านจงเห็นอาบัตินั้นภิกษุรูปนั้นกล่าวว่าท่านทั้งหลายผมไม่มีอาบัติที่จะพึงเห็นภายหลังภิกษุเหล่านั้นได้ความพร้อมเพลียงแล้วจึงลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุรูปนั้น เพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตก็ภิกษุรูปนั้นเป็นพระหูสูตรชำนานปริยัตทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดมีปัญญามีความละอายมีความระมัดระวังใฝการศึกษาต่อมาภิกษุรูปนั้นเข้าไปหาพวกภิกษุที่เป็นเพื่อน เห็นเพื่อนคบกันมานานแล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายนั่นไม่เป็นอาบัตนั่นหาเป็นอาบัตไม่ผมไม่ต้องอาบัตผมต้องอาบัตหามีได้ผมไม่ถูกลงอุเขปนยกรรมผมถูกลงอุเขปนิยกรรมหามิได้แต่ถูกลงอุกเขปนิยกรรมด้วยกรรมที่ไม่ชอบทม เป็นความเสียหายไม่ควรแก่ฐานะท่านทั้งหลายจงเป็นฝ่ายผมโดยธรรมโดยวินัยเถิดภิกษุรูปนั้นได้พวกภิกษุที่เป็นเพื่อนเคยเห็นเคยคบกันมาเป็นพักพวกแล้วภิกษุรูปนั้นได้ส่งทูตไปในสำนักของพวกภิกษุชาวชนบทที่เป็นเพื่อนเห็นเพื่อนคบกันมาว่า ท่านทั้งหลายนั่นไม่เป็นอาบัตนั่นเป็นอาบัตหามีได้ผมไม่ต้องอาบัตผมต้องอาบัตหามีได้ผมไม่ถูกลงอุกเขปนิยกรรมผมถูกลงอุกเขปนิยกรรมหามีได้แต่ถูกลงอุกเขปนิยกรรมด้วยกรรมที่ไม่ชอบธรรมเป็นความเสียหายไม่ควรแก่ฐานะท่านทั้งหลายจงเป็นฝ่ายผมโดยธรรมโดยวินัยเถิด ภิกษุรูปนั้นได้พวกภิกษุชาวชนบทที่เป็นเพื่อนเคยเห็นเคยคบกันมาเป็นพักพวกครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นผู้ประพฤติตามภิกษุที่ถูกลงอุเขปนิยกรรมได้เข้าไปหาพวกภิกษุที่ลงอุเขปนิยกรรมถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวดังนี้ว่าท่านทั้งหลายนั่นไม่เป็นอาบัตินั่นเป็นอาบัติหามิได้ ภิกษุรูปนั้นไม่ต้องอาบัตภิกษุรูปนั้นต้องอาบัตหาไม่ได้ภิกษุรูปนั้นไม่ถูกลงอุเขปนิยกรรมภิกษุรูปนั้นถูกลงอุเขปนิยกรรมหาไม่ได้แต่ถูกลงอุเขปนิยกรรมด้วยกรรมที่ไม่ชอบทำเป็นความเสียหายไม่ควรแก่ฐานะเมื่อพวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุเขปนิยกรรมกล่าวอย่างนี้แล้ว พวกภิกษุผู้ลงอุกเขปนียกรรมจึงกล่าวดังนี้ว่าท่านทั้งหลายนั่นเป็นอาบัตรนั่นไม่เป็นอาบัตรหามิได้ภิกษุรูปนั้นต้องอาบัต์แล้วภิกษุรูปนั้นไม่ต้องอาบัตหามิได้ภิกษุรูปนั้นถูกลงอุกเขปนียกรรมแล้วภิกษุรูปนั้นไม่ถูกลงอุกเขปนิยกรรมหามิได้ เธอถูกลงอุกเขปนิยกรรมด้วยกรรมที่ชอบทำไม่เป็นความเสียหายควรแก่ฐานะท่านทั้งหลายอย่าประพฤติตามอย่าห้อมล้อมภิกษุรูปนั้นผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมนั้นพวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุถูกลงอุเขปนิยกรรมเหล่านั้นแม้ถูกพวกภิกษุผู้ลงอุกเขปนิยกรรมว่ากล่าวอย่างนี้ก็ยังประพฤติตาม ย่งห้อมล้อมภิกษุผู้ถูกลงอุกเขปนิยกรรมนั้นเหมือนเดิม452ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับถาวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งลงณที่สมควรภิกษุรูปนั้นผู้นั่งแล้วณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้าขอประทานพระบโรกาภิกษุรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้ต้องอาบัติแล้วมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าเป็นอาบัติพวกภิกษุอื่นมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าไม่เป็นอาบัติต่อมาภิกษุรูปนั้นกลับมีความเห็นในอาบัตินั้นว่าไม่เป็นอาบัติพวกภิกษุอื่น มีความเห็นในอาบัตนั้นว่าเป็นอาบัตพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นได้กล่าวกับภิกษุรูปนั้นดังนี้ว่าท่านท่านต้องอาบัตแล้วท่านจงเห็นอาบัตนั้นภิกษุรูปนั้นกล่าวว่าท่านทั้งหลายผมไม่มีอาบัตที่ผมจะพึงเห็นพระพุทธเจ้าข้า ภายหลังภิกษุเหล่านั้นได้ความพร้อมเพรียงแล้วจึงลงอุเขปนิยกรรมภิกษุรูปนั้นเพราะไม่เห็นอาบัติพระพุทธเจ้าข้าก็ภิกษุรูปนั้นเป็นพระหูสูตรชำนานปริยัตทรงธรรมทรงวิไนทรงมาติกาเป็นบัณฑิตฉเฉลียวฉลาดมีปัญญามีความละอายมีความระมัดระวัง ไฟการศึกษาต่อมาภิกษุรูปนั้นได้เข้าไปหาพวกภิกษุที่เป็นเพื่อนเห็นเพื่อนคบกันมาแล้วได้กล่าวดังนี้ว่าท่านทั้งหลายนั่นไม่เป็นอาบัตินั่นเป็นอาบัติหามิได้ผมไม่ต้องอาบัติผมต้องอาบัติหามิได้ผมไม่ถูกลงอุกเขปนิยกรรมผมถูกลงอุกเขปนิยกรรมหามิได้ แต่ถูกลงอุคเขเปนียกรรมด้วยกรรมที่ไม่ชอบธรรมไม่ควรแก่ฐานะท่านทั้งหลายจงเป็นฝ่ายผมโดยธรรมโดยวินัยเถิดพระพุทธเจ้าข้าภิกษุรูปนั้นได้พวกภิกษุที่เป็นเพื่อนเคยเห็นเคยคบกันมาเป็นพักพวกแล้วภิกษุรูปนั้นได้ส่งทูตไปในสำนักของพวกภิกษุชาวชนบทที่เป็นเพื่อนเคยเห็นเคยคบกันมาว่า ท่านทั้งหลายนั่นไม่เป็นอาบัตนั่นเป็นอาบัตหามิได้ผมไม่ต้องอาบัตผมต้องอาบัตหามิได้ผมไม่ถูกลงอุกเขปนิยกรรมผมถูกลงอุกเขปนิยกรรมหามิได้แต่ถูกลงอุกเขปนิยกรรมด้วยกรรมที่ไม่ชอบทำไม่ควรแก่ฐานะท่านทั้งหลายจงเป็นฝ่ายผมโดยธรรมโดยวินัยเถิด ภิกษุรูปนั้นได้พวกภิกษุที่เป็นเพื่อนเคยเห็นเคยคบกันมาเป็นพักพวกแล้วพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นผู้ประพฤติตามภิกษุที่ถูกลงอุกเขปนิยกรรมได้เข้าไปหาพวกภิกษุที่ลงอุกเขปนิยกรรมถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวดังนี้ว่าท่านทั้งหลายนั่นไม่เป็นอาบัตินั่นหาเป็นอาบัติไม่ ภิกษุรูปนั้นไม่ต้องอาบัตภิกษุรูปนั้นต้องอาบัตหามีได้ภิกษุ <fro> <ม>รูปนั้นไม่ถูกลงอุเขปนิยกรรมภิกษุรูปนั้นถูกลงอุเขปนิยกรรมหามิได้แต่ถูกลงอุเปนยกรรมด้วยกรรมที่ไม่ชอบธรรมไม่ควรแก่ฐานะพระพุทธเจ้าข้าเมื่อพวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ถูกลงอุเขปนิยกรรมกล่าวอย่างนี้แล้ว พวกภิกษุผู้ลงอุคเขปนิยกรรมจึงกล่าวดังนี้ว่าท่านทั้งหลายนั่นเป็นอาบัต์นั่นไม่เป็นอาบัต์หามิได้ภิกษุรูปนั้นต้องอาบัตแล้วภิกษุรูปนั้นไม่ต้องอาบัต์หามิได้ภิกษุรูปนั้นถูกลงอุคเขปนิยกรรมแล้วภิกษุรูปนั้นไม่ถูกลงอุคเขปนิยกรรมหามิได้ เธอถูกลงอุกเขป็นิยกรรมด้วยกรรมที่ชอบธทมควรแก่ฐานะท่านทั้งหลายอย่าประพฤติตามอย่าห้อมล้อมภิกษุผู้ถูกลงอุกเขป็นิยกรรมนั้นพระพุทธเจ้าข้าพวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุถูกลงอุกเขป็นิยกรรมเหล่านั้นแม้อันพวกภิกษุผู้ถูกลงอุกเขป็นิยกรรมว่ากล่าวอย่างนี้ก็อย่างประพฤติตาม ยังห้อมล้อมภิกษุผู้ถูกลงอุกเขป็นนิยกรรมนั้นเหมือนเดิม453ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าภิกษุสงฆ์จะแตกกันภิกษุสงฆ์จะแตกกันสเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปหาพวกภิกษุผู้ลงอุกเขป็นิยกรรมประทับนั่งบนพระพุทธอาฏที่จัดไว้ แล้วได้ตรัสกับภิกษุผู้ลงอุกเขปนิยกรรมเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออยากคิดอย่างนี้ว่าเรื่องนี้แจมแจ้งแก่พวกเราเรื่องนี้แจมแจ้งแก่พวกเราแล้วจ้องแต่จะลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุในเรื่องใดเรื่องหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ ภิกษุผู้ต้องอาบัตแล้วมีความเห็นในอาบัตนั้นว่าไม่เป็นอาบัตพวกภิกษุอื่นมีความเห็นในอาบัตนั้นว่าเป็นอาบัตภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านั้นรู้จักภิกษุรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านรูปนี้และเป็นพหูสูตรและไยการศึกษา ถ้าพวกเราจะลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุรูปนี้เพราะไม่เห็นอาบัติพวกเราจะทำอุโบสถร่วมกับภิกษุรูปนี้ไม่ได้ต้องทำอุโบสถแยกจากภิกษุรูปนี้ความบาดหมางความทะเลาะความขัดแยง้งความวิวาทความแตกแห่งสงความร้าวรานแห่งสงความแบ่งแยกแห่งสง การทำสงให้เป็นต่างๆกันซึ่งมีเรื่องนั้นเป็นเหตุจะมีแก่สง์ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุผู้หนักในความแตกกันไม่พึงลงอุกเขปนิยกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่เห็นอาบัตภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุผู้ต้องอาบัตแล้ว มีความเห็นในอาบัตนั้นว่าไม่เป็นอาบัตพวกภิกษุอื่นมีความเห็นในอาบัต้นั้นว่าเป็นอาบัตถ้าภิกษุเหล่านั้นรู้จักภิกษุรูปนั้นอย่างนี้ว่าท่านรูปนี้เป็นพระหูสูตรละไฟการศึกษาถ้าพวกเราจะลงอุกเคปนียกรรมภิกษุรูปนี้เพราะไม่เห็นอาบัต <P oke ly> พวกเราก็จะปะวรารณ า, แแา ร, ร, ร, ร่วมกับภิกษุรูปนี้ไม่ได้ต้องปวารณาแยกจากภิกษุรูปนี้จะทําสังฆกรรมร่วมกับภิกษุรูปนี้ไม่ได้ต้องทําสังฆกรรมแยกจากภิกษุรูปนี้จะนั่งร่วมบนอาสนะเดียวกับภิกษุรูปนี้ไม่ได้ต้องนั่งบนอาสนะแยกจากภิกษุรูปนี้จะนั่งในที่ดื่มข้าวต้ม ร ego, ่วมกับภิกษุรูปน live eh ี้ไม่ได้ต้องนั่งแยกจากภิกษุรูปนี้จะนั่งในโรงอาหารร่วมกับภิกษุรูปนี้ไม่ได้ต้องนั่งแยกจากภิกษุรูปนี้จะอยู่ในที่มุงบังเดียวกันร่วมกับภิกษุรูปนี้ไม่ได้ต้องอยู่แยกจากภิกษุรูปนี้จะกราบไหว้ต้อนรับประนมมือ ทำสามีจิกรรมตามลำดับพรรษาร่วมกับภิกษุรูปนี้ไม่ได้ต้องทำแยกจากภิกษุรูปนี้ความบาดหมางความทะเลาะความขัดแยง้งความวิวาดความแตกแห่งสงฆ์ความร้าวรานแห่งสงฆ์ความแบ่งแยกแห่งสงฆ์การทำสงฆ์ให้เป็นต่างๆกัน ซึ่งมีเรื่องนั้นเป็นเหตุจะมีแก่สงภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุผู้หนักในความแตกกันจึงไม่พึงลงอุเขปนียกรรมภิกษุรูปนั้นเพราะไม่เห็นอาบัต